สงบตแต่วิธีนี้ไม่ใช่มีถึงคนรับได้ยากต่างกันไหมเราสรางหาความสุขกับสร้งหาเหตุของสุ ข, สขเหตุของทุกนี่ต่างกันหมคุณสวัส์ต่างกันยังไงอยา่าเรานั่งอยู่นิ่งๆเหมือนที่เราเคย ป, ปฏิบัติมาก็จะเกิดความสงบใช่ไหมครอาจารย์ใช่ความสงบมันก็ จนำมาซึ่งความความสุขแต่ว่าถือว่าทำมือหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งต่างจากที่โยมเคยปฏิบัติมานี่คือความต่างนะว่าการแสวงหาความสุขกับแสว่าเหตุของความสุขพระพุทธเจ้าสอนทำนะสอนเหตุที่สอนผลสอนเหตุสอนเหตุจ้ะสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุ ผู้ที่เจ้ากล่าวถึงเหตุของสิ่งนั้นนี่คือเราลืมกันนะเพราะนั้นกรรมฐานว่าเราจึงมันไม่อยากคิดเรียกว่าผิดนะแต่มันไม่ถูกทั้งบ้านทั้งเมืองเลยมันแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมแม้แต่ปัญหาง่ายๆคาราคาซังกันทั้งปีทั้งชาตมันแก้ไขไม่ถูกเพราะเราไปเอาผลมันนะหวังผลแต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าเหตุมาจากอะไรไม่แก้ที่เหตุนี่เราก็เหมือนกันถือผู้ศาสนามาค่อนชีวิตอะใช่ไหมถามว่าสูกริงเลยยัง ไม่มีใครตอบได้ชัดเจนว่าสูกใช่ไหเพราะเราไม่ได้หาเหตุมันก่อนนะเราไปเอาผลมันถ้าผลมันก็มีตาร่วงกับล่วง น, นะแต่เหตุนะพู้ทิทเจ้าไม่ได้เอาผลออกมาให้เรานะแต่เอาต้นมาให้เราเข้าใจไหมเอาเอาต้นของผลนั่นแหะให้เราแล้วให้เรามาเลี้ยงเองเพราะฉะนั้นเองอันนี้คือ สิ่งที่เราชาวพุทธเราเป็นอยู่เราต้องเอาผลแต่ว่าไม่รู้จักว่าผลนั้นกินหมดแล้วจะไปทำให้เกิดผลต่อไปได้อย่างไรแต่พุทธเจ้าบอกว่าเอาเมล็ดอันนี้เราเอาต้นอันนี้ไปปลูกนะแล้วผลมันจะออกมาอย่างนี้ถ้าถ้าเรารู้จักปลูกต้นรู้จักปลูกดูแลต้นมานเนี่ยผลนี่ต้องหวังไหม มันออกมาเองนั่นแต่ถ้าเราได้ผลมาแล้วเราไม่รู้ว่าต้นเป็นอย่างไรและจะดูแลต้นผลิตผลตรงเนี้ยออกมาได้อย่างไรเนี่ยพอหมดผลนั้นแล้วก็คือหมดใช่ไหมไม่มีต่อไปอันนี้คือคอนเซ็ปที่เราจะต้องเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นเองในวิธีการหุวงพเทียนก็เช่นเดียวกันท่านจะส่อที่เหตุมันจึงยากไงแต่ถ้าหากว่าเข้าใจได้แล้วเนี่ยผลจะเกิดตลอดเวลาเหมือนเราปลูกต้นไม้ถ้าปลูกเป็นแล้วใช่ไหมคุณจะเอาผล กินเท่าไหร่ก็ได้กินกีน่ฤดูการก็ได้อันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไ ป, ไปกับเราได้ทุกจะหลกับเร า, ารหนูจะรู้ได้ไงว่ากินข้าวแล้วข้าวที่เรากินอิ่มแล้วเนี่ยมันจะเป็นรักษาโรคอะไรได้บ้างเหมือนจะถามอย่างนี้นะ <laughs> <laughs> นี่คือคำถามที่หนูกาลังถามอยู่มันเป็นอย่างนั้นคือไม่ต้องสงสัยว่า สิ่งที่เข้าไปเนี่ยบริโภคเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปรักษาอาหารทั้งหลายเข้ารักษาโรคความหิวใช่ไหมสิ่งที่เป็นธรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะเข้าไปรักษาโรคความหิวโหยทางด้านจิตใจแต่ให้ต้องถามว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเป็นสิ่งที่มันถูกต้องที่จะเข้าไปจัดความหิวทางด้านจิตใจได้ไม่ได้ถามว่ามันถูกจริตกับเราหรือไม่นะ พอไม่ได้ถามว่าข้าวนี่ถูกกระขิดข้าวพเจ้ า, จาหรือไม่ไม่ไมเป็นแน่ที่ทุกคนต้องกินนะถ้าหากว่าเราหิว mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจ ะ, ะสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยถูกต้องหรือไม่ต้องถามอย่างนั้น mm hmm. ไม่ได้ถามว่ามันเข้าก็เราได้หรือไม่แต่เราต้องเอ า, าตัวเองเข้าหาทํา oh. ไม่ใช่ให้ทำเข้าหาเรา <laughs> อันนี้คือหลับทั้งวันนะเอาละการยืเดินนั่งนอนพระเจ้าสอนไหมยังเวย สอนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้เรายืนเดินนั่งนอนตามที่ท่านสอนไหม mm. ทำแต่เราเราไม่ได้เป็นอย่างที่สอนคือเรายืนเดินนั่งนอนอยู่แต่ว่าสาระของการยืนเดินนั่งนอนเราไ ม, ไม่ไม่รู้มีพราหมณ์คนหนึ่งแกสงสัยเรื่องปรามาตุโลคุตตระธรรมไอ้นักปราชญาศาสนาทั้งหลายก็ต่างก็ยกย่องว่าไอ้โลกุตตรธรรมเนี่ยเป็นสิ่งสูงสุดที่สามารถ บำบัด <Network> <ๆ>ทุก์ได้ทั้งหมดแล้สามารถที่จะไม่ต้องไปทำให้เวียนว่าใจเกิดได้อีกเพราะฉะนั้นเขาต้องการอยากจะรู้โลกุตตรธรรมสมัยนั้นเจาหน้าที่มันเยอะใช่ไหมเขาก็ไปถามปรากฏว่าเจรจหนาเจ้าคนให้คำตอบเรื่องโลกุตตรธรรมไม่เหมือนกันสักสำนักเลยในที่สุดมีคนแนะว่าไปหาพระสมณะโคดมดีรู้จักคำรู้จักเรื่องกุตตรธรรมได้ดีก็ไปหา ถามข้าแต่พระองค์ผู้เดินเข้าไปเจ้าต้องการอยากจะทราบว่าโลกุตตรธรรมนี่เป็นอย่างไรผู้ทีเจ้าก็ไม่ได้ตอบทันทีนะท่านก็นั่งนั่งสักพักแล้วก็ท่านก็ยืนให้ดูแล้วก็ยืสพักท่านก็เดินเดินกลับไปกลับหาสัพักหนึ่งนั้นก็ลงไปนอนนอนก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มานั่งแล้วว่า อันนี้แหละคือโลกุตตะละธรรมคิดว่าพรามณ์คนี้นเข้าใจไหมโยนสวัสดิ์พราหมณ์นัเอาเงางก็นตรงไหนเขาไม่แยกกยืนเดินนั่งนอนอยู่ทุกวันไม่เห็นว่าเป็นโลกุตตะลธรรมตรงไหนใช่ไหมก็ อ, ออกมาอย่างนี้เลยผู้ที่ัธว่ายังไงดูก่อนพราหมณ์ทุกคนมีการยืนนนั่งืเดินนั่งนอนก็จริงอยู่แต่ว่าเขาเรานั้นยืนเดินนั่งนอนด้วยสติสัมปชัญญะหรือไม่เขารู้ไหมว่าเขายืนเดินนั่งนอนอย่างไร เขาลุกอย่างไรเขาเดินอย่างไรเขานอนอย่างไรเขารู้ตัวไหมมุคคลเหล่านั้นรู้ตัวไหมไม่รู้พระเจ้าเน่นแหละเรียกว่าไม่รู้โลกุตตรธรรมเข้าใจได้ไหมเรื่องนี้ยมอุ้ยเนี่ยยืนเดินนันอนมาตลอดชีวิตั้มใช่ไหมแต่เคยยืนเดินนั่งนอนอย่างมีตั้งสติวันหนึ่งสักกี่ครั้งนี่คือพพุทธเจ้าสอน แต่วันนี้ที่เราสอนเราพูดกันเนี่ยเราได้ทําอย่างนั้นไหมใช่ไหมเราก็ลองทำอย่างนั้นเรายืนยังมีสติเดินยังมีสตินั่งนั่นถามว่าถูกหรือไม่ถูกแต่ทําไมมันยังไม่ได้ผลก็เพราะต้นไม้คุณปลูกวันนี้คุณจะให้ผลวันนี้ได้ไหมมะม่วงนะสมปีห้าปีเจ็ดปีมันจะออกผลใช่ไหมแต่คุณกําลังปลูกวันนี้คุณเพิ่งเอาเม็ดมาลงวันนี้กำลังจะถามคำนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะต้องดูแลไปเรื่อยๆ แต่ว่ามันคงไม่นานเหมือนต้นมะม่วมงนั่นหรอกมันคงจะไวกว่านี้หน่อยขึ้นไวกว็ช้าขึ้นอยู่ก็อะไรพระพุทธเจา้าพบกับไพหิ ย, หยะทารุจิริยะพกพุทธเจา้าไม่ถึงสามชั่วโมงบรรลุธรมรมเยสสกุระบุตรพบพุทธเจา้าเช้าเดียวบรรลุธรรมใช่ไหมองคุิมานพบพุทธเจา้าไม่นาน ทิ้งดาบบรรลุธรรมแต่พระนรนอยู่กับพระพุทธ 25, เจ้า25พันศาแม้กันนะ่งพระพุทธเจ้าปณิธานพระนรนก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมข้อแตกต่างคืออะไรนุมเกตตอบได้ไหมมานดาสสของตอนนบรรลุปเาหท่านไกลอเราหาคำตอบดูดีว่าเพราะอะไรอยวมุ่ยนึกออกไหม ไออกใช่ขึ้นอยู่กับอะไรกันแน่ความพร้อมมะม่วงกับมะพร้าวเนี่ยมันสุกในอายุเดียวกันไหมมะม่วงสามปีสองปีสามปีมันได้ผลให้สุกเถ่ะแต่มะพร้าวนี้กว่าจะได้ผลกว่าจะแก่ให้เรากินเนะี่ยบางทีเจ็ดปีถึงสิบปีใช่ไหมขึ้นอยู่กับชนิดของบุคคลนั้นๆว่ามีความแก่พร้อมทางด้านบารมีธรรมแค่ไหน บางคนต้องการใ่รู้สแสวงหาสิ่งนั้นมานานพอมาเจอป๊อปได้คําตอบพวอเลยแต่อีกคนนึงมาเจอพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้คิดจะแสวงหาคาตอบเรื่องนี้มาอยู่เพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้อะไรแต่ว่ายังไม่ได้ต้องการที่ผ่านหรอกถึงนะักการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนี่คนหูต้องการเหลือเกินว่านี่ผ่านไปยังไงอย่างนีนี่คือความต้องการของเราว่าเราต้องการสิ่งนั้นจริงๆไหมนี่คือคําตอบ ขึ้นอยู่ความต้องการของเราที่เราต้องการมากน้อยแค่ไหนต้องการสิ่งที่เราต้องการนะ้เราต้องทำได้ถูกต้องหรือเปล่าดังนั้นในการเจริญสติแบบนี้น้อยคนที่จะพึงพอใจเพราะเราถูกสอนมาในแง่ของผลต้องเป็นอย่างนี้คุณต้องได้รับผลนี้ถ้าไม่ได้รับผลนีมันไม่ใช่เพราะเราทำไปมันไม่ได้รับผลนีนเรารู้สึกเออมันไม่ใช่ แต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่พู้เรยสอนไม่ได้สอนให้เอาผลแต่สอนให้รู้จักเหตุของผลเพราะฉะนั้นเราที่มาทําทุกวันนี้คือเรามาทําเหตุของมันนะแต่ผลจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยถามว่าสั้นหรือยาวหรืออย่ช้ตอบไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราต้องการมันจริงหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เราต้องการเราทํามันถูกไหมนี่คือสิ่งสําคัญถามหลวงปู่คำหนึ่งว่าที่เรามาทําวันนี้จริงๆแล้วต้องการอะไร การมาเลียนใช่ไหมะเพราะว่าเคยปฏิบัติมาเนี่ยเนเป็นการคุยมก็กำลังมีคำถามว่าแลวอย่างการที่เราปฏิบัติด้วยวิธีนี้อะ่ะเหมือนกับว่าเราดูการเคลื่อนไหวดูปกายใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วแล้วใจของเราเราไม่ต้องดูค่ะคะใจเกิดจากอะไรหมายถึงความรู้สึกนึกคิด นั่นแหละมันเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดความคิดแนั่นมันเกิดท <laughs> ี่กย า, ายกับใจเนี่ยอันไหนมันเกิดก่อนใครเป็นเหตุของใครนั่นคือเหตุั้งมัน <laughs> ใจอยู่โดดๆได้ไหมแต่กายไม่มีใจเกิดได้ไหม <c oughs> ใจไม่มีกายอยู่ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราดูอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมไม่ได้ไมันจะต้องดูทั้งสองอย่าง กายมีพ่อใจมีใจมีพ่อกายมีไม่มีกายก็ไม่มีใจไม่มีใจก็ไม่มีกายแล้วอย่างสุภาษิตที่บอกว่าก็นั่นดีอาศัยกันเนียพึ่งพากันแต่เป็นใหญ่ก็คือใจที่ใหญ่คือใจคือความจริงแล้ว <c oughs> เหตุมันมาใกลมันมาลึกแต่ง่ายๆว่ากายกับใจนั้นเป็นเหตุปัจจัยของกันละกันไม่มีใครเกิดก่อนไม่มีใครเกิดหลังนะั่เกิดพร้อมๆกัน นะเพราะมีกายใจจึงมีเพราะมีใจกายเพราะมีกายใจจึงมีเพราะมีใจกายจึงมีไม่มีกายก็ไม่มีใจไม่มีใจก็ไม่มีกายเพราะฉะนั้นเราจะดูใจองค์พ่อเทียนอบอกดูกายเห็นจิตดูคิดก็เห็นคำดูคำเห็นปรมัตต์ดูอริสัตหินญิพานหมายถึงว่าดูตัวหนึ่งก็จะเห็นตัวหนึ่งไปในตัวเพราะฉะนั้นเราก็ถามว่าเป้าหมายต้องการคืออะไร ยมอุ้ยตอบวาต้องการการเรียนรู้ใช่ไหมที่ตอบคุณเกตต้องการอะไ ร, ระ ก, ก็ไา่เห็นไหมระหว่างาเราเรียนสึงเดียวกันแต่ว่าการความตั้งใจต้องการต่างกาๆๆๆันนะายอย่างขณะเดียวกันคุณอุ้ยต้องการเรียนรู้เฉยๆแต่นี่ต้องการไปไกลว่าต้องการนิพพานเลยนะ <laughs> รู้คือทุกวันนี้ก็รู้แล้วนะว่า ก็คือเชื่อว่าเรียนว่ายตายเกิดทำอะไรชาติที่แล้วพบชาตินี้ก็รับผลอย่างนั้ น, ก, นก็เลยไม่อยากจะกลับมาเรียนไหวาตายเกิดทีวิตได้เป็นมนุษย์ไม่รู้ชาติหน้าจะได้เป็นตัวอะไรมไม่รู้จะทุกข์ยากแค่ไหนไม่รู้จะยากใจทุกวันนี้คิดแต่ว่าพยายามจะสวดมนต์ภาวนาปฏิบตัติคือมีโอกาสก็จะพยายามเรียนรู้กับครูบาอาจารย์เพื่อจะได้ไปได้ถูกทางอือย่างน้อย ไม่ได้อะไรมากในชาตินี้ขอให้ได้แบบได้เกิดชาติหน้าในภูมิภพที่ดีก็ยังดีนี่คือโยนสวัสด์เป้าหมายต้องการอะไรในการเข้าศึกษาธรรมะจริงๆเลยลึกๆเลต้องการอะไรไม่ต้องคล้ายของโยโมโคนไม่เหมือนกัน <laughs> แสดงว่ายังไม่มีเป้าหมายแน่นอนเบือเต็มที่แล้ว เบื่แล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเอาอะไรใช่ไหมจะเนื่อยคงอยากไม่อยากมาแล้วเลิกกที่เบื่อเบื่อสังขารโดยเองตรงนี้แหละคือเริ่มต้นของการที่จะไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ความเบื่อเบื่อสิ่งที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันนี้จะก่อนถ้าไม่เบื่อไม่อยากออกนะพุทธิย่อใจว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารคือกายคือใจนี่แหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายย่อมเบื่อหน่าย ในสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละมีกายมีใจหน้าเหนื่อยามันทุกตลอดเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวสุขดังนั้นตรงไม่เคยจบต้องดูแลต้องเทคแคร์ต้องเอาใจใส่มันไม่รู้ไปจบเมื่อไหรบางคนก็อยากแกตายไปๆหมดเรื่องหมดราวมันตายไม่ได้เพราะมันเหตุปัจเจ้ามันยังไม่พร้อมจให้ตายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวเดี๋ยวร่างกายแค่ร่างกายสังขารเน่ยแทนทรมานเลยน้ดูแลเอาใจใส่มันพามันขี้มันเยี่ยวพามันกินมันอยู่พามัน สั่งไม่ได้แล้วแล้วแต่มันจะเป็นหน้าเบื่อแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่เกิดปัญญาตัวนี้ก็ยังไม่เบื่อยังอยากส น, นุกสนานกับมันอยู่ใช่ไหมแต่คนที่ได้เห็นได้เกิดปัญญาแล้วเนี่ยเพราะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาจริงๆแล้วเกิดเริ่มเบื่อหนายไม่อยากจะกลับมาอีกอันนี้เขาเรียกวคือต้นทางนั่นแปลว่าอาถนิพินตติทุูเคนสามโคนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดหยุทมันเริ่มเบื่อหนาย เสียก่อนถ้าไม่เบื่อหน่ายร่างกายสังกาดที่ใจนี่นะยังยังไม่มีการเริ่มต้นยังจะมีการแสวงหาจุดอื่นไปได้อยู่ทีนี้เมื่อเรารู้สึกเบื่อหน่ายต่อว่าตาสมสารคือการเวียนว่ายตาเกิดของไม่ใช่เวียนว่ายตาเกิดเกิดแล้วตาไม่ใช่ขณะนี้วันนี้ร่างกายของเราทุกไปกี่ครั้งเนี่ยนับไม่ได้วันนี้จิตใจของเราคิดไปกี่ครั้งเนี่ยนับไม่ได้เนี่ยคือวันเวียนว่ายตาเกิด ประจำวันที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ถามว่าเราได้อะไรจากมันก็ไม่ได้แล้วเราทำไมต้องไปดูแลเอาใจใส่มาลน้น่นี่ยคือวิบากขันวิบากกรรมที่เราต้องได้เกิดมาถ้าสมมติเราต้องเกิดอีกก็ต้องบริหารมันไปอย่างอีกไปพบกับเหตุการณ์ต่างๆใช่ไหมสิ่งที่ต้องเป็นไปสมหวังบังผิดหวังบังลูกตายเสียเมียตายจากสมบัติพลดาคา แกงเบ็ดบีตีทากันต้องเจอแล้วก็ทุกข์อีกเพราะฉะนั้นการแสวงหาเบื้องต้นที่สุดเนี่ยท่านบอกให้เข้าใจรูปนามให้ได้ก่อนเพราะเข้าใจรูปนามแล้วเนี่ยมันจะเห็นอดีตของตัวเองว่าเราทุกข์ขนาดไหนแล้วถึงจะเบื่อเป็นถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นรูปนามไม่เห็นอดีตของตัวเองมันเบื่อไม่เป็นหรอกเมื่อเบื่อไม่เป็นมันก็ยังไม่ขวนขวายที่จะหนีไอ้ความ ร้ากายสังขารเหมือนกองไฟอย่างนียเพราะฉะนั้นเองแต่ว่าความเบื่อรนี้จะเกิดขึ้นได้เราต้องมาพัฒนาปัญญาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าอย่างที่ว่างี้ต้องพัฒนาปัญญาก็คือปัญญานี่เป็นเหตุหรือเป็นผลเป็นผ ล, เ, นผลเหตุของมันคืออะไรอ่าสติสมาธิ เป็นเหตุของปัญญาเพราะฉนั้นแทนที่เราจะไปเจริญปัญญาก็ไม่เจริญสติมาเจริญสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาคือปัญญาคือแสงสว่างใช่ไหมเหตุมันก็คือแตะเกียงคือน้ำมันคือหลอดไฟคือไฟฟ้าแสงสว่างเป็นเป็นผลเพราะฉะนั้นที่เรามาทำเนี่ยเรามาทําเหตุทําให้รู้สึกตัวทําให้จิตตั้งมั่นทําให้อะไรต่างนีนี่คือเหตุของปัญญาในส่วนปัญญานี่มันจะเกิด แจ่มแจ้งเห็นสังขารนี้แล้วเกิดเบื่อในสังขารตัวนี้เมื่อไหรเนี่ยเราก็ยังกำหนดใยตัวไม่ได้มันถึงพร้อมเมื่อไรนะเพราะฉะนั้นเราจึงมาสร้างเหตุเยอ ะ, อะเมื่อสร้างเหตุมันมากพอแล้วเนี่ยวันหนึ่งมันพบขึ้นมาเหมือนกับเราต้องการที่จะให้ต้นไม้นี่ออกหล่อออกผลไม่ใช่ไปเล่งแต่ว่าเราจะต้องมาดูแลมันให้ดีให้น้าใส่ปุ๋ยคนดินรักษา เ่อแรงมื่อห้เวียเวียนทักษาต้นไม่ให้มันล้มมันตายวันหนึ่งผลมันออกแน่นอนเหมือนกันถ้าเราตั้งสติปลูกสติปลูกสะวันทีณวันนี้เราต้องดูแลเอาใจใส่ดูแลให้มันเจริญเติบโตผลมันคือปัญญาต้องเกิดแน่นอนเมื่อปัญญาเริ่เกิดสิ่งแรกที่เราประจับก็คือเบื่อหน่ดูนามอันนี้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าสุขได้เลยจริงๆไงใช่ไหม แต่ที่เราคิดว่ามันสุขมันมันเป็นเพียงมายาที่เราสําคัญผิดกินอร่อยได้กินอร่อยก็เรื่าสุขใช่ไหมได้ดูอะไรเฉยๆก็สุขได้ฟังอะไรเพรพะๆก็สุขมันเป็นเพียงมายาการของการกระทบแล้วที่เราอุปท า, านเราไปยึดว่าเออลักษณะนี้เรียกว่าสุขนะลักษณะนี้ว่าเพราะนะลักษณะเรียกว่าเรียกว่าอร่อยนะนี่เราก็ไปสําคัญตรงนั้นแต่คนจินมันก็คือ ปฏิคิยาของสังขารที่มันปรุงมันแต่งใช่ไหมดังนั้นเองเรามาทําเนี่ยเราไม่ได้หวังผลแต่มาทําเหตุให้สมบูรณ์เมื่อทําเหตุสมบูรณ์ผลไม่ต้องหวังมันต้องเกิดแน่นอนส่วนจะช้าื้ไว้าขึ้นอยู่ความสมบูรณ์ของเหตุดัง น, นั้นเองเหตุที่เราสะสมมาทีละนิดถ้าหาเรามีสติมีสัมผัสในการเราทําสิ่งนั้นมันสั่งสมเหตุไปเรื่อยๆ แล้วก็ไม่ต้องถามว่ามันจะเต็มเมื่อไร่ขึ้นอยู่กับเราสั่งสมได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนถังที่เรารองน้ามันตกป๊อกป๊กปอกตลอดเวลามันจะต้เต็มวันใดวันหนึ่งเี้ยแต่ถ้าเกิดอจู่ๆไอ้ที่มันป๊อกปมันขาดหายไปเนี่ยหวังเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มเพราะความต่อเนื่องของการหยุดนี่มันหายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะมานั่งวันละครั้งเดือนละครั้งปีละครั้งหแล้วก็หยุดไป ก็จะกลับมาอีกทีไอ้ที่ตกไปก่อนแห้งไปแล้วเริ่มต้นหยดใหม่เพราะฉนั้นทางที่ถูกก็ต้องปล่อยให้มันหยดเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มหยดแห่งความรู้สึกตัวที่เรามาเริ่มต้นฝึกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ขอว่าวันต่อไปหมดกันก็จบไม่ใช่นะคุณต้องต้องให้มันหยดต่อไปแต่นี่เพียงเพียงเริ่มต้นเปิดตาน้ำหมดเท่านี้ แล้วก็หยุดต่อไปหมายความว่าคุณจะกินจะดื่มจะพูดจะคิดก็ยังใส่สติลงไปทุกทุกอย่างหยุดของการเคลื่อนไหวทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเวรไม่นานมันก็เต็มนะยิ่งเราเอาใจใส่ตัวมันมากต่อการเคลื่อนไหวมากมันก็เต็มเหมือนน้ํามันหยุดแรงๆไหลโชกๆใช่ไหมมันก็เต็มไว้นี่คือความเป็นเหตุเป็นผลของมันโดยที่ไม่ต้องหวังเลย แล้วเราก็มีบุคคลตัวอย่างเยอะแยะใช่ไหมที่ทําให้เราเห็นว่าท่านเต็มมาด้วยอาการเหล่านี้แล้วก็มาแบ่งมาปันมาบอกมาชี้มานําเราให้ทํำดังนั้นเองในช่วงเวลาทําเนี่ยมาจึงว่าให้ให้เห็นความสําคัญให้เห็นความสําคัญสิ่งนี้ด้วยตัวเองนะไม่ใช่การชี้นาด้วยการรุ่นด้วยการโปรโมทหรือด้วยการเล่งเราคงเคยคนหนึ่งแต่มันเห็นด้วยตัวเองว่าสิ่งนี้จําเป็นแล้วก็ค่อย ใส่ความรู้สึกลงไปในแต่และอย่างอย่างเคารพเลยบูชาจะลูกจะนั่งจะย่างเตือนแต่ละข้าวดูเหมือนว่าสิ่งที่เรากำลังทำมีค่ามากนั้นจะไหวนันจะไหวแต่ถ้าลำไปด้วยความไม่แน่ใจพอรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้เราไปเรื่อยๆ อ, อันนี้ไม่แน่เพราะเรายังไม่ชัดเจนดังนั้นเองจุดนี้เราขาดหายไปใช้คำว่า พุทธคารวัตาธรรมคารวัตาสังฆคารวัตตาที่ความคารพในพระพุทธพระธรรมส่งพระพุทธประธรรมส่งคารุบใครสมมติเราคารุพระพุทธพระสงร์แต่พุทธประธรรมส่งคารุบใครคารุบธรรมใช่หพระพุทธกับพระสงฆ์คารุบพระธรรมธรมะคารวัตาคารุพระธรรมพระธรรมอยู่ไหนจมสวด โทั่วไปในตู้อยูว่วะไม่ใช่พ ร, รรพระธรรมอยู่ที่การกระทงนะหลวงพ่อเทียนนั้นชัดนะทำก็คือทอยเสด็ํา่ำทำพระธรรมคือเคารบในการกระทําของเราเคารบในการพูดของเราเคารบในการคิดของเราสิ่งที่เราทําพูดคิดนั่นๆถ้าเราเคารพหมายก็บอว่าถ้าเคารพมันดีอะใช่ไหมเราจะกล้าทําสิ่งที่ไม่ดีได้ไหมเราจะกล้าคิดในสิ่งที่ไม่ดีได้ไหม เราจะกล้าพูดในสิ่งที่ไม่ดีได้ ไ, ม, ไม่ได้เพราะเราเคารพเราจรึงทําดีด้วยแต่ถ้าเราไม่เคารพพราะทำอ่ า, าไม่เคารพตัวเองไม่เคารพการกระทําของตัวเองจะพูดยังไงก็ได้จะพูดด่าใครนินทาใครฉันก็ไม่สนใจฉันจะว่าเสียนั่นแสดงว่าเคารพเพราะทำเราใช่ไหมนี่นี่คือการกระทําเราจะต้องเอาใจใส่ต่อการกระทําตัวนั้นเพดัะนั้นการเจริญสติ ตรงนี้จึงเป็นเหตุหลายๆอย่างที่ให้เราได้คิดด้วยตัวเองให้เราได้ศึกษาด้วยตัวเองถ้าตราบใดการจเจริญสติสมาธิปัญญาถ้าไม่เกิดด้วยความเต็มใจของตัวเองนะอยากถึงแม้คนนั้นจะบวชมาร้อยปีก็ไม่เกิดเพราะไม่ได้เต็มใจทําแต่ทำตามประเพณีตามธรรมเงื่อนไขทําตามสิ่งตอบแทนทำตามไอสังคมประเพณีเป็นร้อยปีก็ไม่มีผล แต่คนคนนั้นเขาอาจจะไม่บวชไม่อะไรเลยก็ได้แต่เขารู้สึกเห็นประโยชน์แล้วเต็มใจทำแล้วเคารพทำอย่างดีบางคนมีนะใช่ไหมบางคนคือหรหัสบางคนนี่เขาให้ความสำคัญเเขาก็ไปได้ไกลกว่า ไ, ไปได้ไกลกว่าเพราะฉะนั้นเองต่อหลังมาเนี่ยมาก็เลยไม่นิยมที่จะเอาคนมาปฏิบัติมากแต่ต้องการคนจริงเพียงไม่กี่คนก็พอละท่านประมาณจัดตักโมเนี่ย ไปสอนที่เมืองจีนท่านได้ลูกิษีกี่คนรู้ไหคนเดียวแต่ว่าพุทธศาสนาคำสอนท่านสืบมาจนทักปัจจุบันเป็นพันกว่าปีมีลูกิษีแค่คนเดียวคือใครพระเจ้าชินกวงแต่คนจริงลูกิษีคนเดียวคือหุยขอที่ตัดแขนบูชาท่านไปรอท่านสามวันสามคืนท่านยังไม่เปิดให้พบใช่ไหในที่สุด อดแขนงด้วยเองใส่พานไปถวาอยอาจารย์เนี่ยผมต้องการฟุท่านด้วยสถานันี้ยิี่สุดสถาเออจริงในที่สุดท่านตัองม่คุยด้วยแล้วก็บอกคำสอนแล้วก็ท่านพูดนี้แหละสืบทอดคำสอนมาแต่ไม่ใช่ชินเออเจ้าไ อ, ไอ้ชื่อเจ้าไอ้อะไรหูจากพัดหูนะ อนนันเป็นผู้ที่รู้ตามต่อมาเพราะฉะนั้นอยากจะให้ศึกษาทําความเข้าใจเรื่องสติตรงนี้ให้ดีมันบางนิดเดียวนะเพราะมาได้พูดกลางวันพูดเรื่องน้ํากะทิขณะที่มันเป็นกะทิขาวๆอย่างเรามองเห็นน้ำมันไหมไม่เห็นใช่ไหมทำไงให้มันมองเห็นนะฮฮะ ต้องเขี่ยวอย่ังไถึงได้เห็นนะทั้งที่มีอยู่อะจะมองว่าเห็นอะเหมือนกันนะในตัวสติมีอยู่ในตัวเราตัวรู้มีอยู่ในตัวถามว่ามันไปมิกเกิดความรู้สึกที่เป็นเวทนาเราเลยมองมาเห็นสตินี่พอเขาเขี่ยวเราปฏิบัติเข้าไปก็บ่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันจะเห็นเลยอ๋อสติเป็นอย่างนี้แตาเมื่อไรแล้วอ๋อย่างนี้นะเออแสดงว่าเข้าท่าละ ให้นึกถึงสิ่งเมื่อพูดถึงคําสอนพู้ที่เจ้าที่ถูกต้องพูดถึงลูกประธรรมให้ชัดก่อนถ้าไม่ชัดในลูกประธรรมนมามธรรมก็มองเห็นไม่ชัดเหมือนกันเพราะมันเป็นนมามธรรมเพราะแต่ว่าให้ไปเห็นน้ํามลูกประธรรมให้ชัดมันเปรี่ยนเสมือนไข่ถามว่าในไข่ลูกเนี้ยไข่ใบเนี้ยมีไก่อยู่ไหมยมเขาตีออกมาไม่เห็นเป็นไก่อะ่ะ ไก่มันอยู่ตรงไหนอ่มันยังไม่ออกผลอ่ใช่ไหมนั่นคือหมายเพราะว่ามันจะต้องผ่านกระบวนการถ้าไข่ตัวนี้ไม่ได้เอาไปอบแม่ไม่โกุ้งไม่ออกมาเป็นไก่ได้ไหมก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมนี่คือกระบวนการความรู้สึกตัวตัวนี้มีอยู่ก็จริงแต่ถ้ า, าไม่ผ่านการเคี่ยวไม่ผ่านความเพียรมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงที่จะออกมาเป็นตัวสติปัญญาเหมือนไก่ อยู่ในไข่ก็จริงแต่ไข่นี้ถ้าไม่ผ่านกระบวนการการอบการกกันมันก็ยังเป็นไข่อยู่นั่นเองไม่เปลี่ยนเป็นไก่กะทิตรงนี้มันกันเไม่ผ่านการเคี่ยวกันหูมันก็ยังเป็นกะทิมันก็เน่าเป็นกะทิอยู่นั่นเองมันจะไม่เห็นว่าเป็นน้ํามันตรงไหนใช่ไหมแต่พอได้ผ่านกระบวนการเพราะฉะนั้นวิปัสนาหรือสติที่เราทำนี่คือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงของความรู้ที่มันปนกันอยู่เยอะๆเนี่ยให้มันแยกออกมาเป็นส่วนหนึ่งเดียวเมื่อที่มันมาแป๊บ <Jub ilee> ใชแบบ่แบบแบบทำท่าใจเพราะทท่าจะจับได้เราไปเนี่ยไปแล้วต้องเคี่ยวมันให้เยอะกว่านี้เนะบางครั้งในกะทิเนี่ยพอเคี่ยวแน่นอนมันก็เริ่มเห็นน้ามันแล้วใช่แต่มันยังเป็นไม่หมดเท่านั้นเองเริ่มเห็นน้ามันแปบๆอยู่เห็นใสๆอยู่นะเป็นมันๆอยู่ใช่ไหมแต่มันยังไม่เยอะเท่านั้นเองเน่เคี่ยวต่อไปเนยน้ำมันมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆไอ้กะทิอรเลุ่มกระลุ่มหมดไปใช่ไหมในที่สูดเหลือแต่น้ามันล้วนๆนั่นแหละตัวรู้เหมือนกันนะ เขี่ยไปทําความรู้สึกไปจับไปเรืเ่อยๆสังเกตไปสังเกตไปไอ้ตัวรู้ในเดิมเริ่มเด่นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นไอ้ตัวเวทนามันก็ไม่ใช่มันมีก็มีแต่ว่ามันแยกไปอีกทางหนึ่งมีอยู่แต่เมื่อก่อนมั น, ม, นมันพันเป็นอันเดียวกันใช่ไหมแต่พอสังเกตไปเรรู้ไปทั้งยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปเรื่อยๆตัวรู้เริ่มเด่นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นตัวรู้ที่เป็นเวทนาทางกายก็ค่อยแยกไปทางหาก ถ้าเมื่อไหร่มนถึงจุดนั้นอันนั้นแหละคือการเริ่มต้นที่จะเห็นธรรมไม่ยานพรยมอุ้ยเองก็เรือกเห็นว่ามันมีแวบๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันชิวเหินเพราะตั้งตั้งอกตั้งใจมองมาจริงๆแล้วมันหายไปแล้วเออหายมันหายไปคือเรื่องนี้ไม่ใช่เกิดด้วยความตั้งใจเคยจากการสังเกตโยงไปป่าเคยเห็น สัตว์ป่าที่จะยืนให้เราดูจังๆเนี่ยยากนะใช่ไหมพอเห็นพ่อมันก็หลบไปนะ เ, เราต้องได้ตามดูมันนะยิ่งตา ม, มยิ่งหนีไกลเลยแต่ถ้าเรารู้จักแอบดูนะอย่าให้มันเห็นเรานะเออดันได้เห็นมันจังๆเลยพ่อเขาเขียนพ่อใช้คำว่ารักดูอรอกวความรู้สึกเนี่ยใจต้องรักดูมันอย่าไปดูมันตรงๆถ้าตั้งใจดูมันตรงๆมันไม่อยู่ให้ดูแันนี้ได้คิดนะพิเชนเจอ ช่วงเยน็นนี่คุยกันแคนน่นี้นะปกาออกไปสังเกตการยืนการเดินการ น, น, นั่งการนอนการลุกมีอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้หายไปไหนมีคนถามพระเถระหรือว่าเอ๊ะผมจะคุณพบพระนิพพานได้ไงผมแสวงหานิพพานมาตลอดเบอะยิ่งคุณแสวงหาคุณยิ่งจะไม่เจอคุณหยุดแสวงหาแล้วคุณจะเจอ เพราะของนี่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าคุณวิ่งหามันมนถึงไม่เจอเท่านั้นเออก็้าี่มันลมหายใจอากาศดีๆมันมีอยู่แล้วแต่คุณต้องหายใจออกมันคุณไม่ต้องแสวงหามันแต่คุณหายใจมันเข้าไปสูมเข้าไปอันนี้ก็เหมือนกันคำว่ามรรคผลที่ผ่านก็เหมือนกันมันมีอยู่แล้วแต่เพียงเรา้รู้จักหารู้จักรู้จักตัวของเขา เพราะนั้นช่วนี้ช่งชวงเช้าตื่นมากประมาณสักตีสีส่หีสินี่นนะจะมาเตรียมอะไรที่นี่ก่อนใรพร้อมก็มาก่อนใครไม่พร้อมกนอนต่อทั้ง <c oughs> วัเพราะนั้นต้องเคารพตัวใครตัวมันเอาเคารพพทธธรรมมาแลคนไหนไม่เคารพพทธธรรมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะโอเคกลับ อ, อน